คุณพระเจ้าสำหรับช่วงใบบายอย่างนี้นะเพราะอากาศเย็นๆทั้งว่งก็นอนได้นะ <c oughs> <c oughs> เพราะบางคนก็อาจจะถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับเนาะแต่ถ้าเวลายอย่างนี้แล้วหลับได้ก็เพื่อสุขภาพหลับเลยนะไม่ต้องเกรงใจอย่าส่งเสียงรบกวนคน ข, ข้างๆเลยบ่าย น, นี้เราจะมาดูอ่ สิ่งที่สัมพันธ์กันในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนภายใต้คาว่าคลิกจักรเมื่อพูดถึงคลิกจักรจุดเด่นของคลิกจักรนะครับต้องเป็นคำว่าความรักเพราะาคลิกจักรเนี่ยเกิดขึ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก าลอง ค, คิดดีๆนะและพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักก็เกิดคิดจักรด้วยความรักเพราะความรักของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์สร้างคิดจักรขึ้นมาและจุดประสงค์ของการสร้างคิดจักรก็คือเพื่อให้คิดจักรเป็นถ้าจะพูดกันแบบภาษาคริสเตียนนะครับก็คือ เป็นท่อพระพรพระพรก็คือให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยไหลผ่านคิดจักรไปสู่ชุมชนและที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกเนียหรือถ้าเราจะพูดว่าคนที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยเวลานี้กำลังขาดแคลนความรักของพระเจ้าดัางนั้นเมื่อพูดถึงคิดจักรก็ต้องพูดถึงความรัก แต่ก่อนที่ความรักเนี่ยจะไปถึงชุมชนเนี่ยมันจะต้องปรากฏเด่นชัดในภาคปฏิบัติในคิดจักในทรามการคือเสียงของเราก่อนและตรงนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยคือความรักเป็นนามาทำเหรอเนาะความรักความรักคุณอะไรมันเป็นทอกแท่งเป็นก้อนหรือเป็นยังไงเนาะแต่ว่าความรักเนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบของรูปธรรมเนี่ยได้หลายรูปแบบ เราเอาอะไรไปให้ก็สามารถเป็นสื่อความรักได้แต่ในพระคัมภีร์ได้แตะให้เราเห็นถึงสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในคิดจกักในบริบทของความรักก็คือความเป็นกันและกันกันและกันผมไม่ค่อยได้ยินคำว่ากันและกันในเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในชีวิตตอนที่ผมยังไม่เป็นคริเสเตียนไม่ค่อยได้ยิน เนื้อหาของคําว่ากันและกันไม่ค่อยได้เข้ามาแตะชีวิตเวลาดําเนินชีวิตในฐานะที่คนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นลูกหรือจะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็นเพื่อนจนกระทั่งได้มาเป็นคริสเตียนเนื้อหาของคําว่ากันและกันก็ปรากฏขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและวันนี้บ่ายนี้เรามาดูด้วยกันนะครับและหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบด้วยกันเนาะ จากพระธรรมหนึ่งโยนบทที่4ข้อที่10กับสิ็ดเมื่อสักครู่นี้เนื้อหานะั้นเป็นพระธรรมยนบทที่4นะฮะอันนั้นก็เป็นกิตติคุณบทที่4เพราะเรื่องของหญิงสมรีย์อยู่ในบทที่สลืมหนึ่งไปเอ า, เ, อาเรามาดูกันนะฮะและเนื้อหาในหนึ่งโยนบทที่4ี่ข้อสิบข้อสิพูดอย่างนี้ว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำความเข้าใจหน่หนอยๆหนอะแล้วกันนะว่าความรักระหว่างเราที่มีต่อพระเจ้าแตกต่างกับความรักที่พระเจ้ามีต่อเราและความรักในพระคัมภีร์ตรงนี้ไม่ใช่เพียงแต่แตก ต, ต่างกันเท่านั้นแต่ว่าถ้าว่ากันเป็นภาษาเรานะครับ ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าคุณภาพสู้ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราไม่ได้พูดถึงคุณภาพของความรักแต่ถ้าพูดถึงมาตรฐานก็ยังต่ำกว่าความรักที่พระเจ้ามีกับเราดังนั้นความหมายของพระคัมภีร์ที่บอกว่าความรักที่ข้พระเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนก็ตามจะบอกว่าเรา tradition. รักพระเจ้าแค่ไหนก็ตามมาตรฐานของความรัก <Şimdi> <idea> ก็ยังต่ํากว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานะดังนั้นก็ขอให้เราเห็นพอเราอ่านตรวนี้ปั๊บเราก็รู้ตัวนี้ก็ต้องถามว่าเราจะยอมรับความจริงเรื่องนี้ไหมเนาะแล้วพระคัมภีร์พูดต่อไปนะคว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อเราคุณภาพดีกว่ามาตรฐานสูงกว่านะครับพระคัมภีร์บอกว่าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาป นี่คือความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดืดล้อนของคนอื่นความรักที่ไม่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของตัวเองสังเกตไหมเราที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเรารู้แลวเวลาเราลักใครคนหนึ่งเนี่ยพื้นฐานของความรักที่ไปถึงคนนั้นก็คือความปรารถนาของตัวเอง เมื่อผมรักสาวคนหนึ่งผมต้องการที่จะไปบอกเธอว่าผมรักเธอแปลความว่านี่เธอจากนี้ไปเธอห้ามผู้ชายคนไหนมาอยู่ใกล้เคยเอีกนะนะนี่คือความรักที่เรามีต่อสาวคนหนึ่งแต่ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราอยู่บนพื้นฐานของความเดือดร้อนของเราปัญพรมพีชี้แจงชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นความเดือดร้อนของเราและพระองค์เห็นเราเดือดร้อนและบนพื้นฐานความเดือดร้อนที่เรามีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะบรรเทาได้นอกจาก ต้งให้พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรามาขจัดความเดือดร้อนของเราแล้วก็11บบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นแล้วเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยแปลความว่าบนพื้นฐานความรักของพระเจ้าเนี่ยเอามาแทนที่ความรักของเราที่มีต่อพระเจ้า ให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาแล้วก็เข้ามาในชีวิตของเราแทนและตรงนี้ในพระคัมภีร์ได้ชี้ให้เห็นเยอะเลยนะครับในทางปฏิบัติที่เป็นเรื่องของกันและกันนี่คือความรักและความรักเรื่องเก่านี้พระองค์เรียกร้องจากใครครับจากคลิปจากของพระองค์เพราะว่าคลิปจากที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาแน่นอนสิ่งแรกที่พระองค์ทรงเอาบุคคลหรือใช้คาว่า วัสดุที่จะเอามาใช้ในการสร้างคลิปจักรคือบุคคลที่ได้รับการไถโดยผลแห่งการสิ้นประชนของพระคริสต์ถึงจะมีคุณสมบัติเพียงพอในมาตรฐานที่จะมาสร้างคลิปจักรของพระองค์และเราทั้งหลายขอพระเจ้าสุภูช่วยเราเข้าใจจริงๆเลยว่าพระเจ้าไถเรามาเพื่อเราจะได้เป็นเป็นปัใจใยในการสร้างคลิปจักรของพระเยซูคริสต์ และเป็นครือจักรแห่งความรักเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาดูนะครับว่าอะไรจะขึ้นจะเกิดขึ้นภายใต้ความรักดังกล่าวนี้เรามาดูพระคัมภีร์นะครับข้ อ, อต่อมาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกันและกันอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4เอเฟซัสบทที่4ผมอยากให้ถ้าเรามีพระคัมภีร์เปิดตามไปเนาะอยากจะให้ ได้ตาได้มองเห็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดข้อที่สองพระคัมภีร์พูดอย่างนี้คือจงทําใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักและคลิจกจัก ความรักและความเป็นกันและกันประการที่หนึ่งที่จะชี้เห็นนอกจากคําว่าต้องรักกันและกันแล้วนะครับเรายังต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเรียนรู้ว่าความอดทนและอดกั้นต่อกันและกันเป็นสิ่งที่เราต้องมี และเราต้องทําความอดทนและความอดกลั้นต่อคนอื่นนะฮะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการยังชีพท่ามกลางสังคมที่แตกต่างจากเราอารมณ์ไม่เหมือนเรานิสัยไม่เหมือนเราอากับกิริยาไม่เหมือนเราภาษาที่พูดก็ไม่เหมือนเรา เอาละอาจจะมีบางอย่างเราชอบบางอย่างเราไม่ชอบหรืออาจจะมีทุกอย่างเราไม่ชอบแต่เนื่องจากในในในฐานะที่เราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของคิจักรเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคจักรเราจึงต้องอยู่กับเขาแต่เราจะอยู่กับเขาได้ยังไงขณะที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่มีความอดทนเคยเคยเคยได้ยินอย่างนี้ไหมว่า บางทีคริสเตียนเนี่ยนะครับมักจะเรียกร้องให้เกิดเ ก, การแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วบอกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงไม่คุณไปฉันก็ไปนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงฉันก็จะไปแต่ถ้าว่าฉันเป็นใหญ่อยู่ที่นี่คุณก็ต้องไปมันก็อยู่กับใครใหญ่ในในที่ที่คุณอยู่แต่พระัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นพรมภีร์บอกว่าให้เราอดทนอดกลั้นต่อกันและกันเพราะว่าในพื้นฐานของคิดจากนั้น มีสิ่งที่คู่มากับคิจักากก็คือความหลากหลายบนพื้นฐานความหลากหลายเนี่ยก็คือความแตกต่างและในความแตกต่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความแตกต่างแบบไม่มีชีวิตเรามีชีวิตเมื่อมีชีวิตต่างคนต่างก็มีอะไรที่ไม่ชอบชอบไม่เหมือนกัน ผมมีมีเพื่อนผู้รับใช้ที่ชอบเอาเรื่องอะไรไม่รู้ที่ผมไม่ชอบมาเล่าให้ผมฟังผมไม่ชอบแต่เขาก็ชอบมาเล่าให้ผมฟังแล้วเขาชอบในสิ่งที่ผมไม่ชอบเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่ผมจะไม่ต้องฟังเรื่องที่เขาชอบเล่าก็คืออยู่ไกลๆนั่นคือผมคิดเปล่าครับไกลแค่ไหนมันก็มาถึง ลิงเดียวพยรับสายอาจานประยูนยให้ยนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังมันใหม่ละโอ้โเอาอยัางไงดีเนี่ยพระแม่เจ้าหรืออะไรอุทานอะไรดีก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อมาถึงพระคัมภีร์ตรงนี้อดทนอดกลั้นต่อกันอะไรกันก็แปลความว่าฟังครับอ่ะนี่ ผมมีเวลาให้คุณสามนาทีนะถ้าเรื่องที่คุณเล่ายาวเกินสามนาทีนะครับผมจะสวัสดีคุณนะผมไม่ตัดสายโดยโดยโดยห้วนนะเราตัดสายจะสวัสดีเลยอ่แล้วก็ว่ากันไปต้องอดทนในการอยู่ด้วยกันแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งทำให้เขาอดทนจนถึงขีดที่เจอหน้าเราทีใดเขาก็ต้องตั้งท่าอดทนไม่ใช่ไม่รู้จะท่าไหนนะครับอดทนเราก็ต้องมีการพัฒนาดังนั้นขอพระเจ้าช่วยให้เราเรียนรู้จริงๆว่าอย่าอย่ารู้สึกว่าเราจะต้องปลีกตัวออกจากคนนู้นหรือเขาจะต้องปลีกตัวออกจากเราในความเป็นคลิปจัดไม่มีใคร ที่ไม่สําคัญถึงแม้เขาจะแตกต่างกับเรามีบางอย่างน่ารําคาญน้ำคาญเราก็ต้องเรียนรู้จักที่จะอยู่กับเขาให้เขาอยู่กับเราแล้วให้เขาเห็นว่าเขาสําคัญสําหรับเราเพราะเขาเป็นหนึ่งในคิดจักและคิดจักไม่มีคนอย่างเขาแน่นอนถ้าเขาไปคิดจักอาจจะเหงาเราอาจจะรู้สึกบางอย่างก็ต้องอดทนกับเขาและพัฒนาเพื่อที่จะให้ความรักของพระเจ้านั้นไหลผ่านคิดจักไปสู่ชุมชนนั้นเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทํานะฮะ อดทนกับกันและกันและในคานอดทนนี้แปลว่าอย่าบนอย่าไปตำหนิขอให้คำตำหนิเนี่ยห่างไกลจากพวกเราดูเนาะหรือแม้แต่คานอุทานที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีก็ไม่เอานะนะให้เราเรียนรู้จากที่จะอดทนและอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักนฮะการอดทนและอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักก็คือเราหาวิธีที่จะพัฒนาเขา โดยไม่ให้เขารู้สึกตัวว่าเรากำลังต้องการที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่เวลานี้ซึ่งมันยังไม่ดีไม่เขารู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ให้เขารู้สึกว่าเขาดีแล้วแต่ว่ามีสิ่งที่ดีกว่าที่จะช่วยเขาที่จะให้เขามาแทนที่ ท, ที่เขาดีแล้วโอเคนะนั่นคือประการที่หนึ่งอดทนต่อกันและกันด้วยความรักประการที่สองยังมีอีก ประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือกระเทียจากเอเฟซัสเราพลิกย้อนกลับมานิดหนึ่งพระธรรมกระเทียบทที่6ข้อที่2พระคัมภีร์พูดอย่างนี้จงช่วยรับภาระของกันและกันด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์ แลรู้ไหมธรรมบัญญัติของประเทตคืออะไรอ่ะเรามาขั้นตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับเรามาดูย้์นบทที่13ย้อนบทที่13ข้อที่34และ35นี่เป็นคำพูดของพระเยซูนะฮะพระเยซูตรัสอย่างนี้เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รัก ซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรานี่คือบัญญัติของพระคริสต์ฟันกลับมากาลาเทียเห็น ไ, ไหมครับบทที่ 6: ข้อสองว่าจงช่วยรับภาระของกันและกัน และด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามบัญญัติของพระคริสต์ก็คือได้แสดงความรักซึ่งกันและกันที่เป็นรูปธรรมดงั้นเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ขอให้เราคิดถึงความจริงของพระคัมภีร์ในแต่ละตอนนะครับแล้วก็ผนวดให้มันเป็นภาพรวมในเรื่องนี้งนั้นขอพระเจ้าช่วยเรา ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนคระจักรของพระเจ้าที่มีความรักตามบัญญัติของพระคิดที่มีต่อกันและกันเราต้องเรียนรู้จากภาระของกันและกันและเมื่อเราเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีภาระเพราะทุกคนมีภาระอยู่แล้วและภาระของแต่ละคนบางอย่างสำหรับบางคนนะครับเขาสามารถแบกภาระที่เขามีอยู่ได้ไม่ยาก แต่สำหรับบางคนอาจจะมีภาระมากและบางอย่างที่เขาแบกไม่ไหวเกินเกินกว่าที่เขาจะแบกได้และตรงนี้เรียกร้องครับเรียกร้องให้เราเรียนรู้จักที่จะแบ่งเบาหรือรับภาระแบกภาระของกันและกันที่เกินกว่าที่เขาจะแบกได้ในภาระดังกล่าวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับภาระที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานในชีวิตส่วนตัวของเขา หรือภาระที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในชีวิตในครอบครัวของเขาหรือภาระที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานของพระเจ้าในคิดจักรของพระองค์และนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราคริสเตียนจะต้องพัฒนาให้ความสนใจกับพี่น้องสมาชิกในอย่างน้อยเริ่มต้นในคิดจักรเดียวกันก่อนว่าแต่ละคนมีภาระอะไร แล้วเขาแบกไหวไหมมีอะไรที่เราจะช่วยแบกแบ่งเบาภาระให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้บ้างเพื่อเขาจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างประสบผลสาเร็จอย่างที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตของเขาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราอย่าไปวางภาระหรืออย่าไปกดดันทาให้เขารู้สึกว่าเขาต้องรับภาระของเขาอยู่คนเดียวในขณะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงความเป็นคริสเตียนว่า เปรียบเหมือนอวัยวะในพระกายเดียวกันแล้วเราจะพบใช่ไหมว่าอวัยวะอะไรพระกายเราไม่มีอะไรที่เหมือนกันสักอย่างหนึ่งและต่างคนก็ต่างช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันผมเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าหากว่ามือของผมเนี่ยทั้งสองมือนะครับมีสมนิ้วเพราะเวลานี้มีห้านิ้วบางทีรู้ไหมครัเวลามันมันจะรู้สึกเยอะเกินไปอะแต่ถ้าผมมือข้างละมีสนิ้วคือนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งเนี่ยไม่มี คุณคิดว่าจะจับของอะไรได้แน่นไหมเนี่ยเชื่อไหมไม่น่าเชื่อนะครับเพราะเวลาผมจับของเนี่ยผมจับเนี่ยมันต้องการนิ้วป้อยกับนิ้วโป้งเออนิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งเข้ามาช่วยความแน่นมันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีสนิ้วแต่ในเรื่องอื่นนิ้ว้อยเหม็นไม่ใช่ทำประโยชน์แต่นิ้วโป้งทำประโยชน์เยอะนะครับเวลาเราไปลงรับจำนำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ปั๊ม แล้วก็เช็ดเอย่าให้เขาเห็น ก, ก็เห็นไหมครับบ้านขอพระเจ้าช่วยเราที่จะแบ่งเบาภาระเช่นกันการแต่เรื่องนี้ในความเป็นคนเนี่ยเรากําลังพูดถึงอีกคนหนึ่งก็ขอให้เราช่วยนะฮะยังไงอะ่ะแสะเข้าไปหน่อยแล้วกันขอใช้คํานี้เนาะที่จะเรียนรู้ว่าเขาเนี่ยกำลังถูกอะไรกดดันอยู่คือคนเราเนี่ยจะจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่พอสมควร แต่ในความเป็นส่วนตัวในสิ่งที่เขารับไหวก็โอเคละก็ใครอย่ามายุ่งกับฉันละกันแต่ในความเป็นส่วนตัวที่ต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการใครช่วยแต่ว่าเขาไม่อยากให้คนที่มาช่วยแล้วช่วยแล้วพูดมากถ้าจะช่วยก็ช่วยไม่ต้อามาพูด พ, ด พ, ดพดูช่วยแล้วก็ไม่ต้องไปพูดกับใครคืออะไรบางอย่างเหล่านี้ทำให้ในที่สุดขณะที่เรามีภาระเราต้องการให้ใครมาช่วยแบ่งเบาแต่เราก็ยังไม่เปิดเผยแต่ขอพระเจ้าสมโปรชช่วยเรา ให้เราสร้างบรรยากาศของชุมชนของพระกายของประคิดคือคิดจักคือบรรยากาศที่เวลาเรามีภาระเกินกำลังและต้องการความช่วยเหลือให้เรากล้าที่จะเปิดเผยภาระของเราโดยไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อคนอื่นรับรู้แล้วเขาจะทำให้เราอับอายแต่ให้เรามั่นใจว่าเมื่อใครก็ตามในชุมชนนี้ พี่น้องคริเสเตียนคนไหนในคริสตจักรแห่งนี้พอรู้ว่าเรากำลังแบกภาระซึ่งมันเกินกำลังเราเขาจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจโดยไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่กำลังด้อยลงไปไม่หลายครั้งทีเดียวนะครับคนคนที่ให้ความช่วยเหลือจะรู้สึกว่าเด่นกว่าหรือเหนือกว่าคนที่รับความช่วยเหลือแต่ขอให้ชุมชนเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นการ แบ่งเบาภาระการรับภาระซึ่งกันและกันหมายความว่าเรารักเขาบนพื้นฐานความรักก็คือเราช่วยเขาเพื่อเขาจะได้ก้าวไปถึงความสาเร็จในจุดที่เขาควรจะก้าวไปซึ่งจุดที่เขากำลังก้าวไปสู่ความสาเร็จอาจจะเป็นจุดที่ถ้าเขาพบความสาเร็จแล้วเขาจะยืนอยู่สูงกว่าเรานั่นก็คือความสุขของเรา การที่จะแบ่งเบาภาระขึ้นกันและกันบนพื้นฐานของความรักก็คือความสาเร็จของเขาไม่ว่าอยู่ระดับไหนก็คือความสุขของเราดังนั้นขอพระเจ้าสมปวดช่วยเรานะครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยกันติวให้กันหน่อยเถอะนะฮะ บ, บางคนปัญญาอ า, อาจจะเท่ากับผมแม่แครับสติปัญญาปานกลาง <c oughs> คือตอนที่ผมเป็นนักเรียนเนาะก็จะมีสมุดพกไง ผมจำได้ว่าผมสอบได้แต่และเทอมก็จะมีมีการประเมินแล้วก็จะมีอุปนิสัยล่าเริงนะฮ ะ, ะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประเมินสติปัญญาด้วยก็ก็จะสติปัญญาปานกลางผมก็มาดูว่าไอ้ที่ผมสติปัญญาปานกลางแนละ้วเพื่อนผมที่สอบได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างก็จะไปขอดูส ม, มุดพกกับเขาเพื่อเพื่อดูของเขาว่าคุณครูที่ประเมินเขาเนี่ยเขาใช้คําอะไรก็ก็เขียนสติปัญญา ดี <h JJ> ของผมปานกลางเพราะว่าผมสอบได้ประมาณคือสมัยนู้นนะครับ50ซถึงจะถือว่าสอบได้เลื่อนชั้นก็ผมก็จะสอบได้อยู่ที่ประมาณสัก58ขึ้นไปจนถึง65ไม่เคยเกินนี้ไม่เคยเกิน 65% สติปัญญาปานกลางมีครั้งหนึ่งจำได้เลยะสอบได้ 22% ป โอ้โหใจเสียเลยรีบไปดูเลยไม่ได้ไปดูอะไรอย่างนะครับดูว่าในที่สุดสติปัญญาของผมจะเหลือเท่าไหร่ก็ดีใจครับเพราะว่าคุณครูก็ยังเขียนว่าสติปัญญาปานกลางคือต้องยอมรับครับว่าเราไม่ได้จ e เนียสแล้วเราฟังคำอธิบายของคุณครูหลายอย่างไม่เข้าใจ ในเวลานั้นสิ่งวิชาที่อ่อนมากเลยก็คือวิชาคํานวณโอ้แล้วเวลาคุณครูคสอนต้องตัดสองตัดเอาไลยตัดตัดโอโ้คุณตัดไปตัดมา ค, คุณครูครับแล้วมันออกมาได้ตัวเลขอย่างนี้ได้งไงไม่เคยได้เลยอะ่ะก็ต้องการคนช่วยนะทุกวันนี้อย่าเห็นแก่เงินนะโอ้ไอติวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยติวทุกคําเป็นเงินหมดเลยอะ่ะแต่เราจะต้องเป็นติวเตอร์ที่ ช่วยแบ่งเบาภาระถ้าเรามีสมาชิกลูกหลานของเขาเรียนและเรียนอ่อนช่วยดูหน่อยแล้วเขาไปช่วยแบ่งเบาภาระเพราะว่าคุณพอ่อคุณแม่อาจจะไม่ใช่เป็นครูอาจจะไม่มีเชี่ยวชาญแล้วก็ถ้ายิ่งผมแล้วครับผมสอนลูกไม่ได้หรอกครับผมเรียนมาอีกระบบหนึ่งไอ้ลูกผมเรียนอีกระบบหนึ่งตอนผมเรียนเนี่ยครับลูกไม่ว่าผมเริ่มต้นเรียนเนี่ยผมใช้กระดานชนวนอะแล้วก็ดินสอเนี่ยเป็นดินสอหินเน่ย เขียนเขียนเสร็จแล้วก็ลบที่กระดานชนวนมันก็ประหยัดดีครับไม่ต้องใช้สมุดผมเรียนอยู่ที่วัดสกเกตกระดานชนวนแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วเรียนกันด้วยอะไรก็ไม่รู้แผ่นหนึ่งแล้วก็กดกดโอ้ยเราให้ผมสอนลูกไม่ไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีพี่น้องเคเสียนรุ่นของลูกา้ามาลูกชายก็มาช่วยสอน ก็ทําให้เขาได้เรียนขอพระเจ้าช่วยเราคิดจักเราเวลานี้ต้องตึงตัวนะแล้วต้องอให้บรรยากาศาไม่ไม่ได้รู้สึกว่าด้อยถ้าเราเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆทั้งสิ้นนี่คือคิดจักความรักและความเป็นซึ่งกันและกันนะฮะก็ต้องวัดใจกันละ ว, ว่าจะเอาหรือไม่เอานั่นก็เป็นสิ่งหนึ่ง ได้อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากพระคัมภีร์นอกจากจะแบ่งเบาหรือบัคช่วยรับภาระของกันและกันแล้วนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคือโรมบทที่12ข้อที่10ในโรมบทที่12ข้อที่10พระคัมภีร์ได้เสนอเนื้อความอย่างนี้ จงรักกันฉันพี่น้องนี่คือความรักเนาะจงขนขวายในการให้เกียรติกันและกันความเป็นกันและกันของคิดจักในที่นี้ก็คือเรียนรู้จักที่จะให้เกียรติกันและกันเราอยู่ในสังคมศักดินาเพราะฉะนั้นการให้เกียรติกันและกันไม่ค่อยคุ้นเคยเราคุ้นเคยแต่ให เกียรติกันไม่กันและกันเราเรียกร้องว่าถ้าคนนั้นมีตําแหน่งมีหน้าที่สูงเราต้องให้เกียรติเขาเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าคนขับรถของเจ้านายเวลาเจ้านายพูดกับคนขับรถก็จะเฮ้ย mm. <"Hey, S 2> มึงพูดไม่รู้เรื่องเลยเหรอส่วนคนขับรถก็จะครับ ครับผมผมครับก็คือนั่นคือลักษณะนั้นแต่ขอพระเจ้าสมโปรดช่วยเราเรียนรู้ว่าคุณค่าของความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่อาชีพไม่ได้อยู่ที่ฐานะไม่ได้อยู่ที่ความรู้คุณค่าของความเป็นคนอยู่ที่พระคริสต์พระฉายาของพระเจ้าคือเราต้องไม่ลืมว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นตอนนั้นไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลัย ไ, ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ ในสวนในเด็ดไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคุณค่าของความเป็นคนคือฉายาของพระเจ้าคุณค่าของความเป็นคนสูงกว่าสิ่งทรงสร้างอื่นๆเพราะคนถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของพระฉายาของพระเจ้าดังนั้นเมื่อทุกคนมีฉายาของพระเจ้าวันนี้มันมีเรื่องของความเหลื่อมล้ําต่ําสูงความแตกต่างกันากางด้านความสามารถทางด้านความรู้ทางด้านความเข้าใจและทางด้านฐานะเกียรติตําแหน่ง เดอะแยะไปหมดโดยเฉพาะในสังคมศักดีนาเรายากเหมือนกันนะครับที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในประเตศขอเชื่อฟังพระเจ้าเถอะผมขออนุญาตเริ่มต้นจากในครอบครัวได้ไหมครับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับลูกๆให้เกียรติลูกได้ไหมให้เกียรติลูก ถ้าคุณอยากให้เพื่อนของลูกให้เกียรติลูกของคุณคุณที่เป็นพ่อแม่ต้องให้เกียรติลูกของคุณก่อนต่อนหน้าเพื่อนของเขาผมพูดกับลูกของผมผมมีลูกสองคนทุกคนที่ผมพูดกับลูกไม่ว่าพูดต่อนหน้าเพื่อนเขาพูดต่อนหน้าใครพูดกับเขาส่วนตัวรับหลังผมคับทุกคาได้ครับเมื่อผมให้เกียรติลูก ขอโทษกับลูกก็ให้เกียรติผมผมไม่เคยบอกว่าลูกต้องให้เกียรติพ่อนะลูกให้เกียรติผมเพราะผมให้เกียรติเขาเนื่องจากเขาเป็นคนที่พระเจ้าสร้างเวลาคุยโทรศัพท์บางทีคนที่นั่งอยู่กลางๆอาจารย์ประยุนคุยกับใครคุยกับลูกครับอุ้ยคุยกับลูกเพราะอย่างนั้นเหรอผมก็เลยหันไปเลยได้เทศนาเลยหนึ่งเรื่องแล้วคุณคุยกับลูกไม่เพราะขนาดนี้เหรอไม่ครับ ทำไมอะ่ะเพราะเขาเป็นลูกคุณต้องให้เกียรติลูกและนี่ผมเทศนากับคุณด้วยชีวิตแล้วนะขอพระเจ้าช่วยเราเราที่เป็นลูกเราต้องเรียนรู้จริงๆนะครับลูกให้เกียรติพ่ออยู่แล้วในสังคมบ้านเราะแต่ปัญหาผมกําลังพูดกับคุณพ่อคุณแม่พูดกับลูกเพาๆอาเมนใครที่นั่งเป็นครอบครัว ขอมองหน้าลูกแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ไม่น่มมมามนาไม่มีน้ําหรืออะไรก็หุ่นหุ่กับลูกก็บเบออ่ะที่ผ่านมาให้มันผ่านไปแล้วจากนี้ไปเราจะพัฒนาการสนทนาเริ่มต้นด้วยการพูดกับลูกเพราะๆ พ, พูดกับภรยาเพราะๆพาะพูดกับสามีเพราะๆพาะให้เกยียรกันอะรกันเริ่มต้นในครอบครัวได้ไหมครับทีนี้จะมาพูดกับวัยรุ่นมัน่ง พี่กับ น, น้องน่ยพูดกันเพอๆได้ไหมครับผมมีลูกสองคนผมบอกคุณสองคนต้องพูดกันพอๆต้องมีขับมีขาถ้าพ่อพูดกับลูกแล้วพ่อขับทุกคําถ้าไม่ลูกไม่พูดกับน้องแล้วก็ขับทุกคำเมื่อผมพูดกับพี่ชายก็ใช่ไหมฝึกที่จะให้เกียรกันละกันเพราะนี่เป็นนี่ เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วกำหนดออกมาชัดเจนสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่เป็นคิดอยากและบนพื้นฐานของความรักเราจะให้เกียดกันและกันนะครับถึงแม้เวลาทะเลาะกันก็ทะเลาะกันด้วยภาษาที่เพราะๆอามนลองทะเลาะกันด้วยภาษาที่เพราะๆ พ, พูดภาษาเพราะๆทะเลาะใส่อารมณ์เข้าไปแต่คำพูดเพราะๆ ดูซิว่ามันจะอยากจะทะเลาะ ก, กันมากขึ้นแค่ไหน <laughs> ผมแนะนําสามีภรรยาคู่หนึ่งเวลาเขาทะเลาะ ก, กันนะครับเขาสูญเสียทุกอย่างเลยคือเสียสูนะ่ะใช้คําหยาบคายแล้วที่ครั้งหนึ่งผมไปเจอคือผมนัดกับเขานะฮะว่าจะไปเยี่ยมที่บ้านเขาแล้วปรากฏว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็ ก็ก็บอกมามาทานข้าวที่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจว่าเขาคงทะเลาะ ก, กันว่าจะทําอาหารอะไรเลี้ยงผมแล้วผมก็ไปถึงหน้าประตูบ้านเขานะครับได้ยินเสียงเขาทั้งสองคนทะเลาะ ก, กันโอ้โหแล้วใจไม่ดีอ่ะเพราทะเลาะกันจนถึงขีดหนึ่งคุณรู้ไหมผมได้ยินอะไรผมได้ยินสามีของเขานะครับส่งตะโคนตะโคนเสียงอยู่เลย อ้ซาตานออกไปจากเมียกูยนี้อุ้ยตายพระองค์จ้าแล้วยืนอยู่หน้าประตูก็กลัวเขาเห็นเราว่าเรากำลังแอบฟังเราจะโผล่เข้าไปตอนนี้จะดีไหมเนี่ยจะได้ซาตานมันจะได้ออกไปจริงๆมันไม่มีซาตานหรอกคุณแล้วชักวคู่หนึ่งภรยาเขาโต้ตอบกลับมาเลยมึงไอ้ไอ้ซาตานโอ้โหมัน อะไรกันดังนั้นขอพระเจ้าช่วยขอโทษนะที่ส่งเสียงในฟิล์มไปสองสาประโยคขอไปด้วยเพราะตรงนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้เกียรติกันละกันทั้งในเวลาที่เราอารมณ์ดีอารมณ์ปกติและในเวลาที่เราอารมณ์ผิดปกติอามนให้เกียรติกันละกันคือคือพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าจงให้เกียรติกันและกันในยามที่อารมณ์ปกติเปล่าไม่ได้พูดแค่นี้ จงให้เกียรติกันและกันในยามที่คุณพอใจไม่ใช่ครับจงให้เกียรติกันและกันเพราะเราต่างก็เป็นอวัยวะในพระกายของพระคิดเดียวกันตลอดเวลาดนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเรียนรู้เรื่องนี้คลิกจักความรักและความเป็นกันและกันนะฮะดังนั้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนนะครับว่าจงขนขวายใช้คำนี้เลยนะครับในเกียนในการให้เกียรติกันและกันภายใต้ความรักของ พระเยซูคริสต์เจ้าอีกประการหนึ่งอันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจกันหน่อย น, นะฮะในพระธรรมโรมบทที่15จากบทที่12นะครับเราข้ามมาดูบทที่15ข้อที่14โรมบทที่15ข้อที่14เนื้อความว่าอย่างนี้ พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านบริบูรณ์ด้วยความดีและพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถที่จะเตือนสติกันและกันได้บริบูรณ์ด้วยความดีพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถที่จะเตือนสติกันและกันได้เพิ่มคำพี ข, ข้อนี้ละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะครับ การเตือนสติกันละกันเป็นที่รู้กันในหมู่ธรรมการพวกเราว่าพระเจ้าเรียกให้เราเตือนสติกันละกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งกำลังทำอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ควรจะทำภายใต้มาตรฐานของการดำเนินชีวิตในพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์ตรงนี้ขยายความชัดเจนว่าในการเตือนสติกันละกันนั้นจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยสาคัญสองประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือ บริบูรณ์ด้วยความดีพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเตือนสติคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลานี้มีคิดเย็นไม่น้อยนะครับถ้าไปเตือนสติเขาในที่สุดเขารับไม่ได้คิดเย็นก็จะทะเลาะกันขัดแย้งกันรู้สึกไม่ดีต่อกัน แม้แต่อาจารย์เองฮะสิทธิพิบาลไปเตือนสติมีสิทธิ์ครับที่จะโดนโต้กลับมาผมไม่ทราบอาจารย์พงนั่งหัวเราะอยู่ข้างหลัง <c oughs> เห็นในที่สุดสิทยิพิบาลก็เห็นสมาชิกมีอะไรผิดปกติเตือนสติไหมไม่เตือนอธิษฐาน พระ อ, องอค์จ่าสมาชิกคนนั้นน่นชื่อประยูมมันทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกพระ อ, องอค์จะช่วยส่งทุตสวรรค์ไปเตือนสติมันหน่อย no พระเจ้าบอกให้เราเตือนสติกันละกันแต่ทํำไมเวลาเราไปเตือนสติเขา้าเราวเขาไม่รับเราเขาไม่อยากฟังเราไม่ต้องพูดอีกแล้วอาจารย์ก็เพราะว่าเราไม่ได้เตือนสติบนพื้นฐานของปัจจัยที่พระคัมภีร์ข้อนี้บอกเห็นไหมครับให้เราเตือนสติกันละกัน ที่มาจากบริบูรณ์ด้วยความดีและพร้อมด้วยความรู้อะเลื่อยขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆให้เราบริบูรณ์ด้วยความดีในการเตือนสติเขาเตือนสติบนพื้นฐานของความดีของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคำเตือนสติจึงต้องระมัดระวังและในที่สุด พร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเตือนสติในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องการเตือนสติจึงเป็นการเตือนสติที่ก่อให้เกิดกําลังใจไม่เคยก่อให้เกิดความรู้สึกอับอายาวความก่อให้เกิดความรู้สึกเผ็ดร้อนก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บแสบหรือก่อให้เกิดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นที่เป็นลบก่อให้เกิดการต่อต้านสิ่งที่เราเตือนสติสำนวนไทยมีประโยคหนึ่งน่าสนใจมากว่าติเพื่อก่อ แต่รู้ไม่ว่าทุกครั้งที่มีการติคนฟังจะก่อกำแพงขึ้นมาก่อนแล้วถ้าคุณคืนติต่อไปได้ก่อเรื่องแน่เลยจะบอกให้แต่ถ้าจะต่อให้ ต, ติเพื่อ ก, ก่อให้เกิดการสั่งสัน้นต้องติบนพื้นฐานของบอริบูรณ์ความดีที่บริบูรณ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรา และความรู้ความเข้าใจดังนั้นถ้าเราจะพูดตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดปกติและเสียหายอะไรคือเราต้องเรียนรู้จากจิตวิยาของการเตือนสติจังหวะเวลาของการเตือนสติเนื้อหาของการเตือนสติทำในการเตือนสติบรรยากาศที่จะใช้ในการเตือนสติเมื่อไหร่พอเขาทำผิดตรงนี้ก็เตือนตรงนี้ในที่สาธารณะก็ว่าไปใครล่ะครับอยากจะฟังคำเตือนสติของคุณ ดันั้นขอพระเจ้าช่วยเราเตือนสติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของปัจจัยที่เป็นความดียังครบบริบูรณ์และความรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระปัจจัยบรรยากาศและคนที่เรากำลังเตือนสติเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะไปเตือนใครเตือนอย่างชาญฉลาดขอพระเจ้าช่วยเรายากครับยากแต่อย่าละเวน้น ด้วยความยากอย่างนี้ใช่ไหมทําให้หลายครั้งทีเดียวสิทะพิบาลว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากหนาวหนาวร้อนๆก็อย่าไปเตือนสติพวกผู้ปกครองโอ้ oh, no. จงเตือนสติกันละกันบนพื้นฐานของความดีที่ครบสมบูรณ์จากพระเจ้าในชีวิตของเราและความรู้นี่สำคัญครับในฐานะที่เราเป็นคิดจกักไม่เตือนสติกันละกันไม่ได้ ผมอยากจะให้เราดูพระคัมภีร์โรมบทที่15หนะครับโดยมาดูข้อที่1กับข้อที่สองเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราอ่านข้อที่14เนาะในข้อที่1ข้อสองบอกว่าพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งกำลังพูดถึงผู้ที่มีความเชื่อขแข็งควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอเราคุยกันไปแล้วเนาะเรื่องความอดทน ไม่ควรทําอะไรตามความพอใจของตัวเองคนที่ความเชื่อเข้มแข็งนะเราทุกคนจงทําให้ทหําไมเพื่อนบ้านพอใจเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นการตือนสติต้องระวังนะครับเราไม่ใช่ตือนสติกขาพราะความสะใจของเราเราต้องไม่ ทำตามความพอใจของเราแต่การเตือนสติของเรานั้นไปถึงเพื่อนบ้านเมื่อเข้าหูเขาแล้วเขารู้สึกพอใจและการเตือนสติที่ทําให้เขารู้สึกพอใจไม่ใช่เอาใจเขาแต่เพื่อนําการพัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นยังถูกต้องในชีวิตของคนที่เราเตือนสติไม่ทําไม่ได้แต่ถ้าจะทําก็ต้องใช้ แรงงานเยอะเลยนะครับใช้สติปัญญาเยอะเลยนะครับและถ้าเราจะทำอย่างนี้จริงๆต้องเป็นความรักถ้าเราไม่รักกันจริงจะไม่ทำอย่างนี้แล้ววันนี้คิดจากณจุดนี้บุกพร่องมากบุกพร่องม า, ากดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราฟื้นฟูนหน่อยที่จะให้คิดจากความรักและความเป็นกันและกัน ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์นั้นได้สำเร็จผลในชีวิตของเราแต่ละคนที่นี่เพื่อถวายเกยียรติแกพระเจ้านะฮะให้เราเรียนรู้ตรงนี้ในการเตือนสตินั้นพระคัมภีร์ได้พูดอีกฝั่งหนึ่งนะฮะในพระธรรมเอเฟซัสย้อนกลับม า, าขอโทษขึ้นไปตะข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะครับบทที่5ข้อที่21หนึ่งพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกงรงผลึ ก, กเมื่อเราเตือนสติเขาภายใต้บอกความดีที่บริบูรณ์ในชีวิตของเราและความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรากําลังจะไปพูดกับเขากับคนนั้นในเวลาเดียวกันพระเจ้าก็พูดกับเราว่าคนนั้นว่าเราต้องยอมยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความ ยำเกรงในพระคิดเราฟังเขาเพราะว่าเรายำเกรงพระเจ้าและเมื่อสิ่งที่เขาพูดถูกแล้วมันอาจจะถูกแรงไปหน่อยหรือมาถูกในเวลาที่เราคิดไม่ถึงว่าเขาจะพูดอย่างนี้กับเราในช่วงเวลาอย่างนี้ขอให้ความยำเกรงพระคิดยับยั้งทุกสิ่งทุกอย่างและรับคำเตือนสตินั้นและเอาไปแก้ไขเอาไปใช้เรื่องนี้ต้องการความถ่อมใจสูงมาก วันนี้คิดจักของพระเจ้าต้องยอมรับว่าจุดเนี้ยการเตือนและการฟังเนี่ยไม่ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ที่ปกติวิสัยที่ควรจะเกิดแล้วมันอะไรก็ไม่รู้เวลามีการเตือนสติกันก็จะรู้สึกว่าถูกเขาดา่าเราเวลาไม่เตือนสติก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่จริงใจกับเรา เดี๋ยวมันมันทั้งขึ้นทั้งล่องขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆนะครับที่จะสร้างบรรยากาศของจิตใจที่พร้อมสำหรับที่จะฟังคำเตือนสติผมเคยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ไปเทศนาที่มันจะเคยเป็นผู้รับใช้ก็มันจะบอกว่าเคยเป็นเสจรพิบาลแต่ว่าผมจะบอกว่าเนี่ยในคิดจยากแห่งหนึ่งแล้วในการไปเทศนาบนธรรมาทิคครั้งหนึ่งหลังจากผมเทศจบแล้ว มีสมาชิกคนหนึ่งมาเตือนสติผมผมไม่ฟังเขาเพราะว่าหลังจากผมเทศจบอะไรแต่ลายเสร็จเรียบร้อยลงมาจากธารรมะปั๊บเขาเดินมาถึงเสร็จเขาคว้าคอเสื้อผมอย่างนี้เลยอาจารย์ประยูนเทศอย่างเนี้ยใครจะรับได้ผมบอกแล้วจะต้องเทศแบบไหนที่ผมตอบกลับไปพราะผมไม่รับสิ่งที่เขาพูดแล้วจะเทศแบบไหน เขาก็ไม่มีคําตอบเพราะว่าผมสวนกลับไปทันทีแล้วจะให้เท่นแบบไหนแล้วถ้าคุณเป็นคนนั้นคุณต้องเรียนรู้นะที่จะกลับใจใหม่แล้วถ้าครั้งต่อไปคุณจับคอเสื้อผมอีกนะครับรอยนิ้วของผมจะอยู่ที่หน้าคุณอย่าทำอย่างนี้กับผมอีกคือถ้าคืนมาตื่นสติกันแบบนี้ใครจะไปฟังผมยอมที่จะเอาคราบนักเทศเนี่ยวางไว้ก่อนแขวนไว้ก่อน อย่าใช้ความรุนแรงในการเตือนสติพระเยซูคริสต์ไม่เคยเตือนสติใครด้วยความรุนแรงผมอยากให้เราดูตัวอย่างการเตือนสติของพระเยซูคริสต์ที่สุดยอดมาผมขอมดให้สั้นๆพวกเราคงรู้เรื่องมาแล้วหรือบางคนอาจจะไม่รู้ฟังตรงนี้นะวันหนึ่งพระเยซูคริสต์พูดกับสาวกทุกคนว่าเฮ้ย hey, วาละของเราใกล้จะถึงแล้ว เพราะว่านี่เป็นเวลาที่เราจะต้องถูกจับแล้วต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนพระเยซูคิดก็ร่อเปิดเผยกับสาวกแล้วก็จะเกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มสาวกแต่และคนก็บอกยาเลยไม่ได้ผมไม่ให้พระองค์ไปแล้วผมไม่มีทางไปโตเนี่ยตัวตัวดีเลยออกหน้าแล้วเวลานั้นไปโตเนี่ยมีความจริงใจแบบนั้นเลยนะฮะแล้วไปโตบอกไม่มีทางพระเยซูบอกไม่ได้ไปโตไม่ได้ ถึงยังไงก็ตามไม่ได้และผมพระองค์จะผมยินดีผมยินดีที่จะตายเพื่อพระองค์เลยนะพอพูดประโยคเนี้ อ, อมาพระเยซูก็เลยบอกไปโตคุณไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรแล้วจะบอกให้รู้นะก่อนไก่ขันวันนี้ในวันนี้ก่อนไก่ขันคุณจะปฏิเสธเราสามครั้งไปโตบอกไม่มีทางพระองค์ก็รู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมจริงใจกับพระองค์ใกล้ไหนไม่มีทางปฏิเสธพระองค์ แน่นอนแต่พระเยซูไม่พูดซ้ำอีกและในที่สุดเรารู้ใช่ไหมพอถึงเวลาเขาจริงๆเปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้งพอปฏิเสธเสต็จไก่ขันอ้ยเปโตรคือเจ็บปวดอับอายคือหลากหลายความรู้สึกนวเวลานั้นเสร็จหลังจากนั้นไม่นานพระเยซูตาย ถ้าผมเป็นปเปยโตนะฮะผมก็เสียใจที่พระเยซูคนที่ผมรักตายแต่ผมก็ดีใจอีกนิดหนึ่งนะครับมีมีดีใจนิดหนึ่งคือเออดีดีเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นถ้าจะไปเจอหน้าพระเยซู ว, วังตัวไม่ถูกแล้วอ่ะจะมาไปไปฏิเสธพระองค์ถ้าคุณศึกษาดีๆนะครับปฏิเสธพระองค์เนี่ยครั้งหนึ่งนะครับศพพระเยซูหันหน้ามามองโปรโตศพตากันเลยนะประสานตากันเลยนะ แต่พอพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วไปโตได้ยินว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายคุณเมื่อความรู้สึกของไปโตเป็นไงเฮ้ยเราเรายัางไงเนี่ยจะหนีเหรอไม่ใช่คนที่เราลักเป็นขึ้นจากความตายดีใจแต่จะไปเจอหน้ากันยังไงอะ่ะโอ้โห ย, ยากมาก จะสุดยอดพระเยซูพระกบีบอกพระเยซูเสด็จมาหาเปโตรไม่ตำหนิสักคำหนึงเลยไม่พูดถึงอดีตเลยความบกพร่องในอนดีตไม่แตะเลยสักคำานึงเลยเรามาดูสิ่งที่พระเยซูทำกับเปโตรเป็นแบบอย่างนะครับในเรื่องของการเตือนสติสุดยอดจริงๆในพระธรรมยอห์นบทที่21 ไม่รู้คุณเชื่อเรื่องการบำบัดภายในอินเนอร์ฮิลลิ่งแค่ไหนนะครับเนื้อหานี้เขามาสอนในคิดจักวัฒนาบางขาไปไม่รู้พระกัมภีร์พูดอย่างนี้นะฮะในยอห์นบทที่21ข้อที่15เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัส ก, กับซีโมนเปโตรว่า ซิโมนบุดยนเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้เหลือเขาทูลพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์และพระองค์ตัดสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดข้อที่16พระองค์ตัดกับเขาครั้งที่สอง ผมไม่รู้ว่าช่วงความห่างนะฮะจะระยะห่างกันนานแค่ไหนนะครับในการพูดครั้งแรกกับครั้งที่สองคือห่างระดับหนึ่งแต่ว่าคงห่างไม่มากนะพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีมวอนบุตรยนเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถอด พระองค์ตรัส ก, กับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุดยอเหนยท่านรักเราหรือเปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพรรองทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัส ก, กับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดโอ้นี่เป็นสุดยอด สุดยอดจริ ง, รงๆพระเยซูไม่พูดถึงอดีตเลยถามในปัจจุบันเนอะเปโตตกลงวันเนี้ยรักเราอไหมหรักครับแล้วพระเยซูถามสามครั้งเปโตตอบครั้งที่สามอาจจะลำบากใจนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นไหมฮะ การถามสามครั้งทําให้เปโตรต้องคิดถึงอะไรบางอย่างที่ได้ทํากับพระเยซูในอดีตโดยพระเยซูไม่ได้พูดถึงแต่เปโตรสานึกเสียใจที่พระเยซูถามอย่างนั้นแต่ยืนยันผมรักพระองค์แต่ถ้าเราสังเกตดีดีทุกครั้งที่เปโตรตอบว่าเปโตรรักพระเยซู รู้ไหมพระเยซูตอบส น, นองสิ่งที่เปโตพูดพระเยซูพูดในภาษาของผมกับเปโตรเราเชื่อเจ้าและไว้ใจเจ้าแต่เนื้อหาที่พระเยซูพูดนั้นเป็นอย่างนี้จงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดเมื่อตัดตอบลักครั้งที่สองจงดูแลแกะของเราเถิด เมื่อตรัสตอบรักครั้งในสามจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดเนื่องฮาตรงนี้เปโตรเข้าใจถ้าเราไปอ่านพระธรรมจดหมายของท่านเปโตรนะครับในหนึ่งเปโตรจะรู้เลยว่าเปโตรได้รับความไว้วังใจจากพระเจ้าเพราะว่าแกะที่พระเยซูพูดถึงเปโตรรู้แก่ใจว่าเป็นแกะที่พระเยซูพระเยซูสละพระชนชีพเพื่อจะได้แกะเหล่านั้นมาแล้ว พระเยซูมอบแก่เหล่านั้นให้กับไปโตนี่คืออะไรบางอย่างที่คนยังไปโตที่ปฏิเสธพระเยซูสามครั้งโดยดื้อไม่ยอมฟังในสิ่งที่พระเยซูบอกเถียงกับพระเยซูแล้วในที่สุดต้องทำอย่างนั้นกลัวที่สุดคือพระเยซูจะไว้ใจเราต่อไปอีกไหมแต่พระเยซูบอกเราไว้ใจเจ้าเพราะเรามอบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เราแลกมาด้วยชีวิตให้อยู่ในความดูแลของเจ้าลย และจากตรงนี้ถ้าคุณเชื่อเรื่องบัมบัตภายในนี่คือวิธีเยียวยาบัมบัตภายในของพระเยซูที่มีเตปมีต่อเปโตรไอ้กิ้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกผิดเนี่ยมันแรงมากแต่เมื่อพระเยซูแสดงความไว้ใจเปโตรแล้วไม่แตะอดีตที่เป็นความผิดของเปโตรแม้แต่คําเดียวตรงนั้นความรู้สึกผิดตรงนั้นถูกลบล้างและถ้าเราอ่านต่อไปในพระธรรมกิจการเราจะพบเลย ไปตกลุกขึ้นมาพูดด้วยท่าทีใหม่แต่คนเดิมครับข้าพเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์ไม่กลัวอีกแล้วดังนั้นขอให้เราเรียนรู้จริงๆว่าการเตือนสติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และประกอบด้วยสติปัญญาความดีบริบูรณ์ในชีวิตของเรา กับผู้ฟังที่ยำเกรงพระคลิกนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆให้เราเรียนรู้จริงๆว่าวันนี้คลิกจักรของพระเจ้าไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรจากกันและกันก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ขาดหายไปจากวิถีชีวิตของคศศริสเตียนในคริกจักร ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเด่นชัดในบรรยากาศที่ดีในสังคมของคริสเตียนผมเชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ละคนจะดีกว่านี้ครับท่านดีอยู่แล้วนะครับคณาแต่ท่านจะดีกว่านี้แน่นอนถ้าจะพูดอีกในความคิดของผมเราที่นั่งอยู่ที่นี่จะเก่งกว่านี้จะเกิดผลให้พระเจ้าได้มากกว่านี้แต่วันนี้ ความดีของหลายๆอย่างของบางคนที่นั่งอยู่ในถ้ากลางเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายทอดได้กับเราเพราะเราสูญเสียลักษณะของความเป็นกันและกันดังกล่าวนี้แล้วมันน่าเสียดายมากน่าเสียดายมากขอให้ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่จะท้าทายเราทั้งหลายว่าเราจะสร้างให้บรรยากาศของคริสเตียน เป็นบรรยากาศที่จะเกิดการเสริมสร้างพัฒนาซึ่งกันและกันแบ่งเบาภาระกันและกันเพื่อเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันในยุคสุดท้ายนี้ให้เป็นคําตอบสําหรับชุมชนสําหรับสังคมว่าคําตอบที่ประเทศชาติกําลังแสวงหามีอยู่ในคิดจักที่พวกเราเป็นสมาชิกอยู่สุดท้ายผมอยากจะให้เรา มาดูนะครับอีกอี ก, อกพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งในพระธรรมหนึ่งเทศโลนิกาบทที่5้ข้อที่11 1. เหนึ่งเทศโลนิกาบทที่5ข้อ11เเนื้อความพระคัมภีร์พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่าน กำลังทำอยู่นั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจังก่อกันขึ้นคือต่างเสริมสร้างซึ่งกันและกันหนุนใจกันขอให้วันนี้คําพูดที่เวลาเราพูดรับหลังอีกคนหนึ่งให้เป็นคําพูดที่ทําให้คนที่ฟังเราได้กําลังใจและมั่นใจว่าเมื่อเราพูดถึงเขารับหลังเขา เราก็จะพูดในสิ่งที่ดีและเป็นกำลังใจให้กับอีกคนหนึ่งที่ฟังอย่าให้คำพูดในเชิงนินทาในเชิงว่าลายของอีกคนที่เรามีต่ออีกคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งฟังให้เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเลยครับทุกคนเป็นมนุษย์มีผิดอนุญาตให้เราต่างก็เป็นมนุษย์ดีกัน ไม่รู้คุณนินทาผมอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เราพูดถึงกันละกันและคำพูดนั้นทำให้เรารู้สึกดีว่าเมื่อเขาลับหลังเราเขาก็จะไม่นินทาเราเพราะว่าเขาจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันไม่จาเป็นต้องพูดหลอกสิ่งที่ไม่ดีของกันและกัน ถ้าหากคุณอยากจะพูดสิ่งที่ไม่ดีของผมช่วยบอกผมหน่อยผมคน ผ, ผมตั้งหากที่เป็นคนนั้นที่ควรจะรู้สิ่งที่ไม่ดีของผมไม่ใช่คนนั้นย้า้คนนั้นรู้เลยช่วยปกปิดเลยเดี๋ยวถ้าเขารู้เดี๋ยวเ ข, เ, ข เ, ขเขาไม่อยากมาฟังเทศผม <laughs> นะฮะช่วยบอกผมหน่อยแต่ถ้าหากจะพูดให้คนนั้นว่ารู้อะไรช่วยพูดอะไรที่ดีๆที่มันเป็นของจริงนะฮะไม่ต้องไปไปไ ป, ไปสร้างภาพ และเราจะได้เสริมสร้างซึ่งกันและกันและเมื่อเป็นอย่างนี้นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคลิกจับบนพื้นฐานความรักเพื่อเราจะได้เจริญเติบโตไปได้วยกันให้ลอยทิฏฐานครับพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับศัจธรรมของพระคัมภีร์หลายข้อ ที่แสดงถึงน้ําพัดไทยของพระองค์สําหรับเราทั้งหลายที่จะใช้ในการดําเนินชีวิตในฐานะที่เราเป็นอวัยวะในประกายของพระองค์เราเป็นคนหนึ่งในชุมชนคิดจักของพระองค์ยังมีพระคัมภีร์อีกหลายต่อหลายข้อที่พูดถึงเรื่องของความเป็นกันและกันอีกหลายประการขอพระองค์ทรงโปรดนําพาเราในเรื่องรา เนื้อหาที่เราได้ยินในวันนี้และพัฒนาเข้ามาในชีวิตของเราจนกระทั่งในกลุ่มของเราในคิดจักรของเรามีบรรยากาศของความเป็นกันและกันที่เด่นชัดและเป็นวิสัยปกติของเราทั้งหลายในความเป็นกันและกันดังกล่าว mm hmm. เพื่อที่จะให้คิดจักรของพระองค์ได้เข้มแข็งและเป็นคิดจักรที่มีพระคิดเป็นศีรษะอย่างแท้จริงขอบคุณพระเจ้า ขอสัจธรรมดังกล่าวได้ปรากฏเป็นรูปรธรรมเป็นวิถีชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่นี่เริ่มต้นจากวันนี้และพัฒนาให้ดีขึ้นเด่นชัดขึ้นในวันเวลาที่กำลังก้าวผ่านพ้นมาเพื่อว่าคิดจักรของเราจะได้เป็นเกลือและแสงสว่างของพระองค์ในชุมชนทุกแห่งที่เราไป ให้คำอธิษฐานนี้ปรากฏเป็นความจริงในชีวิตของเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ